พระไตรปิฎกเล่มที่11ประสูตรที่7ลักษณะสูตรว่าด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการหมายเหตุพระสูตรนี้ไม่ได้เรียงตามลำดับที่มีการสรุปมหาปุริสลักษณะว่าเป็นอย่างไรนะครับสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยูนะ่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถี ณ<บ> <PTSD> ที่นั้นพระผูม้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายมหาบุรุษทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการมีคติเพียงสองอย่างเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นคือ 1. ่ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้ well. เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมสมบูรณ์ด้วยแก้วเจประการ 2. ถ้าออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลกลักษณะมหาบุรุษ32ประการลักษณะพระบาทราบเสมอกันภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์สมทานในกุศ ล, ลธรรมในที่นี้คือกุศลกรรมบท1ิบประการ สมถานมั่นคงในกายสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายในวจีสุจริตประพฤติชอบด้วยวาจาในมโนสุจริตประพฤติชอบด้วยใจในการจำแนกทานทานคือการให้ในการสมทานศีลในการรักษาอุโบสถในความเกื้อกูลมัรดาบิดาและสมณรามในความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูล และในกุศลธรรมอันยิ่งอื่นอื่นอีกคือหนึ่งกามาวจรกุศลสองรูปาวจรกุศลสอรูปาวจรกุศลสสาวกบารมียานหปัจเจกโพธิยาน 6. สัพพัญยุตธยานเพราะตถาคตได้ทำสั่งสมพ่อพูนกรรมนั้นทำกรรมนั้นให้ไพยบณ์ลแล้ว หลังจากตายแล้วตถาคตจึงไปเกิดในสุกติโลกสวรรค์ครอบงำคือมีความเหนือกว่าเทพเหล่าอื่นในเทวโลกนั้นด้วยฐานะสิบคืออายุทิพย์วั น, นทิพย์สุขทิพย์ยศทิพย์ความเป็นใหญ่ทิพย์รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะอันเป็นทิพย์จุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้หมายถึงเมื่อเกิดเป็นมนุษย์คือเจ้าชายสิทธัตถะ จึงได้ลักษณะมหาบุรุษนี้คือมีฝ่าพระบาทราบเสมอกันขณะเอียบลงพื้นฝ่าพระบาทราบเสมอกันยกฝ่าพระบาทขึ้นก็ยังเสมอกันขณะจดฝ่าพระบาทลงทุกส่วนก็แตะพื้นพร้อมกันลักษณะของรอยธรรมจักที่ปรากฏชัดบนพื้นพระบาท ภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ได้นำความสุขมาให้แก่คนหมู่มากบรรเทาภัยคือความหวาดกลัวและความหวาดสะดุง้งจัดการรักษาป้องกันกุ้มครองอย่างเป็นธรรมและให้ทานร้อมทั้งของที่เป็นบริวารเพราตะตถาคตได้ทำสั่งสมพอกพูนกรรมนั้นทำให้กรรมนั้นไพ่บุญแล้วหลังจากตายแล้วตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ สถาคตพรอบงามเทพเหล่าอื่นในเทวโลกนั้นด้วยฐานะสิบจติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ได้ลักษณะมหาบุรุษนี้คือพื้นฝ่าประบาททั้งสองมีจักคือมีรอยเป็นรูปธรรมจากรปรากฏที่ฝ่าเทา้าซึ่งมีกรรมข้างละหนึ่งพันซี่มีกงมีดุมและมีส่วนประกอบครบทุกอย่างและจัดวางไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมมหาบุรุษนั้น ทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่กรองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิจะมีบริวารมากคือมีพรามขหาบดีชาวนิคมชาวชนบทโหราจารย์และมหาอมาตย์แม่ทัพนายกองราชองครักษ์อมาตย์บริษัท ร, ราชาเศรษฐีกุมารเป็นบริวารเมื่อออกผนวดจะได้เป็นพระพุทธเจ้ามีบริวารมาก คือมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อาสุนนาคคนทันเป็นบริวารลักษณะส้นพระบาทภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์คือวางทันทาวุธและสัตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดู มุ่งประโยชน์เกือ้อกูลแกสัพพสัตย์อยู่เพราะตถาคตได้ทำสั่งสมพออภูนกรรมนั้นทำให้กรรมนั้นไพยบูรแล้วหลังจากตายแล้วตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์จติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นมนุษย์ในตอนนี้ได้ลักษณะมหาบุรุษสามประการนี้คือ 1. มีส้นพระบาทยื่นยาวออกไป 2. มีพระองคุลียาวส มีพระวรกายตั้งตรงดุจกายพรมมหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ในลักษณะสามประการนั้นถ้าอยู่กรองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิจะมีพระชนมายุยืนดำรงอยู่นานทรงรักษาพระชนมายุไว้ได้นานไม่มีข้าศึกศัตรูที่เป็นมนุษย์คนใดสามารถลงพระชนชีพในระหว่างได้ คำว่าในระหว่างหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่ปฏิสนธิคือการเกิดจนถึงจุติคือการดับถ้าออกผนวดจะได้เป็นพระพุทธเจ้าจะมีพระชนมายุยืนดำรงอยู่นานทรงรักษาพระชนมายุไว้ได้นานไม่มีข้าศึกศัตรูที่เป็นสมณะพรามเทพมารพรมหรือใครในโลกสามารถลงพระชนชีพในระหว่างได้ ลักษณะพระมังสะในที่เจ็ดแห่งเต็มบริบูรณ์ภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ให้ของที่ควรเคี้ยวของที่ควรบริโภคของที่ควรลิ้มของที่ควรชิมน้ำที่ควรดืม่มอันประณีตและมีรสอร่อยเพราะตถาคตได้ทำสั่งสม พ, อพ่อคูณทำให้กรรมนั้นไพบูรณ์หลังจากตายแล้วตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ จุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นมนุษย์ในตอนนี้จึงได้ลักษณะมหาบุตษนี้คือมีพระมังสะในที่เจ็ดแห่งเต็มบริบูรณ์ได้แก่ที่หลังพระหัตถ์ทั้งสองมีพระมังสะพูนเต็มที่หลังพระบาททั้งสองมีพระมังสะพูนเต็มที่จะงอยบาทั้งสองมีพระมังสะพูนเต็มที่ลำพระศอมีพระมังสะพูนเต็ม มหาบุรุษทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจะทรงได้ของที่ควรเคี้ยวของที่ควรบริโภคของที่ควรลิ้มของที่ควรชิมน้ำที่ควรดื่มอันประณีตมีรสอร่อยเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้ของที่ควรเคี้ยวของที่ควรบริโภคของที่ควรลิ้มของที่ควรชิมน้ำที่ควรดื่มอันประนีตมีรสอร่อย ลักษณะพระหัตตและพระบาทอ่อนนุ่มและมีเส้นที่ข้อพระองคุลีจดกันเป็นดุดรูปตักไ า, า้ภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์สงเคราะห์ประชาชนด้วยสังหะวัตถุสีคือหนึ่งทานคือการให้ 2. อปิยะวัชะข้อนี้บาลีเป็นปิยวาธิตะ หมายถึงวาจาเป็นที่รัก 3. อัฏฐจริยาการประพฤติประโยชน์ 4. ส, สมานัตตาการวางตนสม่ำเสมอเพราะตะถาคตได้ทาสั่งสมพอกพูนกรรมนั้นทำให้กรรมนั้นไัยบุญแล้วหลังจากตายแล้วตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์จุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นมนุษย์ในตอนนี้ จึงได้ลักษณะมหาบุรุษสองประการนี้คือ 1. มีพระหัต์และพระบาทอ่อนนุ่ม 2. มีฝ่าพระหัต์และฝ่าพระบาทมีเส้นที่ข้อพระองคุลีจดกันเป็นรูปตะขายมหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะสองประการนั้นถ้าอยู่กรองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิจะมีบริวารชนอันพระองค์สง่งเคราะห์แล้วเป็นอย่างดี บริวารชนคือพราหมณ์ขหบดีชาวนิคมชาวชนบทโหราจารย์และมหาอามาตย์แม่ทัพในกองราชองค์รักตอามาตย์บริษัทราชาเศรษฐีกุมารอันพระองค์ทรงเคราะห์แล้วเป็นอย่างดีเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงมีบริวารชนอันพระองค์ทรงเคราะห์แล้วเป็นอย่างดีบริวารชนคือ ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเอวดามนุษย์อสูร น, นาคคนทันอันพระองค์สงเคราะห์แล้วเป็นอย่างดีลักษณะข้อพระบาทสูงและพระโลมาชาติมีปลายงอนขึ้นภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้กล่าววาจาประกอบด้วยประโยชน์ประกอบด้วยธรรม และนำคนหมู่มากเป็นผู้นำประโยชน์และความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้บูชาธรรมเป็นปกติเพราะตะถาคตได้ทำสั่งสม พ, อพ่อภูนกรรมนั้นทำให้กรรมนั้นไพรูนหลังจากตายแล้วตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์จุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นมนุษย์ในตอนนี้จึงได้ลักษณะมหาบุรุษสองประการนี้คือ 1. มีข้อพระบาทสูง 2. มีพระโลมาชาติมีปลายงอนขึ้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจะเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นประมุขเป็นผู้สูงสุดเป็นผู้ดีกว่าหมู่ชนผู้บริโภคกามเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นประมุขเป็นผู้สูงสุดเป็นผู้ดีกว่าสรพพสัตว์ลักษณะพระชงเรียวดุดแข้งเนื้อทราย ภิกษุทั้งหลายแนชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้ตั้งใจสอนศิลปะหมายถึงวิชาชีพมีสองอย่างคือ 1. ศิลปะสามัญมีช่งางศาลช่างหม้อช่างหูเป็นต้นและสองศิลปะอย่างสูงมีช่างลวดลายนักคํานวณด้วยวิธีการนับนิ้วหรือมุทธาและนักคานวณด้วยวิธีคิดในใจหรือคานานาเป็นผู้ตั้งใจสอนวิชา ในที่นี้หมายถึงวิชาหลากหลายเป็นผู้ตั้งใจสอนเจรณะในที่นี้หมายถึงศีลห้าศีลสิบหรือปาติโมคสังวยรศีลเป็นผู้ตั้งใจสอนกรรมในที่นี้หมายถึงปัญญาอย่างรู้ความที่สัตวมีกรรมเป็นของตนโดยประสงค์ว่าทำอย่างไรชนทั้งหลายนี้พึงรู้ได้เร็วพึงปฏิบัติได้เร็วไม่พึงลำบากนาน ละตถาคตได้ทำสั่งสมพออคูณกรรมนี้หลังจากตายแล้วตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์จุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นมนุษย์ในตอนนี้จึงได้ลักษณะมหาบุรุษนี้คือมีพระชงเรียวดังแข้งเนื้อสายถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิจะทรงได้พาหนะอันคู่ควรแก่พระราชาซึ่งเป็นองค์ประกอบแห่งขบวนทัพของพระราชา เครื่องราจูปโภคอันสมควรแก่พระราชาโดยพลันเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้ปั จ, จัยอันสมควรแก่สมณนะอันเป็นองค์ของสมณนะและเครื่องสมณูปภโอันสมควรแก่สมณะโดยพลันลักษณะพระชวีคือผิวละเอียดภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์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 เพราะตะถาคตได้ทำสังสมพอบขุลกรรมนั้นให้ไพบูรณแล้วหลังจากตายแล้วตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์จุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นมนุษย์ในตอนนี้ได้ลักษณะมหาบุรุษนี้คือมีพระชวีละเอียดจนละอองธุลีไม่อาจติดพระวรกายได้ข้อนี้ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจะมีปัญญามากบรรดา ก, กามรมโภขีบุคคล ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งมีปัญญาเสมอหรือมีปัญญาประเสริฐกว่าพระองค์เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงมีปัญญามากทรงมีปัญญากว้างขวางทรงมีปัญญาร่าเริงทรงมีปัญญาแล่นไปทรงมีปัญญาเฉียบแหลมทรงมีปัญญาชำระกิเลสบรรดาสัพพสัตไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งมีปัญญาเสมอหรือมีปัญญาประเสริฐกว่าพระองค์ ลักษณะรัชวีสีทองภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีความโกรธในที่นี้ไม่ได้หมายถึงละความโกรธได้เด็ดขาดด้วยอนาคามิมากแต่หมายถึงสามารถบรรเทาความโกรธที่เกิดขึ้นได้เร็วพลันไม่มีความแค้นใจแม้จะถูกว่ากล่าวอย่างรุนแรงก็ไม่ขัดเคือง ไม่โกรธไม่พยาบาทไม่จองล้างจองผลานไม่สัแดงความโกรธความคิดประทุษร้ายและความเสียใจให้ปรากฏและเป็นผู้ให้เครื่องลาดมีเนื้อดีอ่อนนุ่มคำว่าเครื่องลาดในที่นี้สะกดด้วยลอหลิงนะครับคือลักษณะการปูสิ่งของแบบแผ่ออกไปเช่นผ้าอาสนะเป็นผู้ให้เครื่องลาดมีเนื้อดีอ่อนนุ่มและให้ผ้าห่มที่เป็นผ้าหลายชนิดอันประณีตมีเนื้อดี เพราะตะถาคตได้ทํำสั่งสมพอกคูณกรรมนั้นหลังจากตายแล้วตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์จุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นมนุษย์ในตอนนี้จึงได้ลักษณะมหาบุรุษนี้คือมีพระชวีสีทองคือคล้ายทองคําด้วยกรรมนี้ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิออกผนวดจะได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็จะทรงได้เครื่องลาดเนื้อดีอ่อนนุ่ม และได้ผ้าห่มที่เป็นผ้าหลายชนิดอันปราณีตมีเนื้อดีลักษณะพระคุยหัตถ์เร้นอยู่ในฝักภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้นำพวกญาติมิตรสหายผู้มีใจดีที่หายไปนานจากกันเป็นนานให้กลับมาพบกันคือนำมารดาบิดาไปพบกับบุตรทำบุตรให้พบกับมารดาบิดา นำพี่ชายน้องชายให้พบกับพี่ชายน้องชายให้พบกับพี่สาวน้องสาวนำพี่สาวน้องสาวให้พบกับพี่ชายน้องชายให้พบกับพี่สาวน้องสาวครั้นทําให้พบกันแล้วก็ได้รับความชื่นชมเพราะตะถาคตได้ทําสั่งสมพ่อคูณกรรมนั้นหลังจากตายแล้วตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์จุติดจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นมนุษย์ในตอนนี้ จึงได้ลักษณะมหาบุรุษนี้คือมีพระคุยหาฐานเร้นอยู่ในฝักถ้าอยู่กรองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิจะมีพระโอรสมากมีพระโอรสมากกว่า 1,000 องค์ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีราชสัตรูได้เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงมีพระอริยาสาวกมากพระอริยาสาวกของพระองค์มีจานวนหลายพัน เป็นผู้กล้าวกล้ามีความเพียรเป็นคุณสมบัติกําจัดเสนาคือกิเลสเสียได้ลักษณะพระวรากายเป็นปริมณฑลดุจปริมณฑลแห่งต้นไทรและเมื่อประทับยืนไม่ต้องนอมพระองค์ลงก็ลูกคลาถึงพระชานุคือเขาด้วยฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองได้ภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ เมื่อตรวจดูมหาชนที่ควรสงเคราะห์ย่อมรู้จักชนที่เท่าเทียมกันรู้จักตนเองรู้จักฐานะของบุคคลรู้จักความแตกต่างของบุคคลอย่างทราบว่าบุคคล น, นี้ควรกับสิ่งนี้บุคคล น, นี้ควรกับสิ่งนี้แล้วทาให้เหมาะกับความแตกต่างในฐานะนั้นๆในการก่อนพระตถาคตได้ทําสังสมพอกภูนกรรมนั้น หลังจากตายแล้วตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์จุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นมนุษย์ในตอนนี้จึงได้ลักษณะมหาบุรุษสองประการนี้คือ 1. มีพระวรากายเป็นป ร, ริมณฑลจุดป ร, ริมณฑลแห่งต้นใส 2. เมื่อประทับยืนไม่ต้องน้อมพระองค์ลงก็ทรงลูกคลามถึงพระชานุ้ว้ยฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองได้ ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิจะทรงเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์หน้าปลื้มใจมากมีทรัพย์และเข้าเปลือกมากมีพระคลังเต็มบริบูรณ์เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากพระองค์จะทรงมีทรัพย์เหล่านี้คือศรัทธาธนะทรัพย์คือศรัทธา ศีลธนนะซัพ์คือศีลอิริธนนะซัพ์คือหิริโอตตะ ป, ปะธนนะซับคือโอตตะ ป, ปะสุ ต, ตะธนนะซัพ์คือสุ ต, ตะจาคาธนนะซัพ์คือจาคะปัญญาธนนะซั์คือปัญญาลักษณะมีพระวรากายทุกส่วนบริบูรณ์ดุดลำตัวท่อนหน้าของราชสีเป็นต้น ภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้หวังประโยชน์หวังความเกือ้อกูลหวังความผาสุขหวังความเกษมจากโยคะแก่คนหมู่มากด้วยมณสิการว่าทำเชนไหนชนเหล่านี้พึงเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลเจริญด้วยสุตตะเจริญด้วยพุท ธ, ธิเจริญด้วยจาระเจริญด้วยธรรมะเจริญด้วยปัญญา จเจริญด้วยทรัพย์และธั ญ, ญชาติจเจริญด้วยนาและสวนจเจริญด้วยสัตว์สองเท้าและสัตว์สีเท้าจเจริญด้วยบุตรลับพันยาจเจริญด้วยทาตกรรมกรและคนรับใช้จเจริญด้วยญาติจเจริญด้วยมิตรเจริญด้วยพวกพ้องเพราะตะถาคตได้ทำสั่งสมพอกภูนกรรมนั้นหลังจากตายแล้วตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์จุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นมนุษย์ในตอนนี้ จึงได้ลักษณะมหาบุรุษสามประการนี้คือหนึ่งมีพระวรากายทุกส่วนบริบูรณ์หลุดลำตัวท่อนหน้าของราชสี 2. มีร่องพระปริสดางเต็มเสมอกัน 3. มีลำพระสอกลมเท่ากันตลอดถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิจะทรงมีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดาได้แก่ไม่เสื่อมจากทรัพย์และธั ญ, ญชาต ไม่เสื่อมจากนาและสวนไม่เสื่อมจากสัตว์สองเท้าและสัตว์สีเท้าไม่เสื่อมจากบุตรและพันยาไม่เสื่อมจากทาตกรรมกรและคนรับใช้ไม่เสื่อมจากญาติไม่เสื่อมจากมิตรไม่เสื่อมจากพวกพ้องไม่เสื่อมจากสมบัติทุกอย่างเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะมีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดาได้แก่ไม่เสื่อมจากศรัทธา ไม่เสื่อมจากศีลไม่เสื่อมจากสุตตะในที่นี้หมายถึงการศึกษาที่นำประโยชน์สุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลายไม่เสื่อมจากจาคะไม่เสื่อมจากปัญญาไม่เสื่อมจากสมาบัติทุกอย่างลักษณะมีเส้นประสาทรับรถประกยอาหารได้ดีภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตรเกิดเป็นมนุษย์ เป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือด้วยก้อนหินด้วยท่อนไม้หรือด้วยสตราเพราะตะถาคตได้ทำสั่งสมพ่อคุณกรรมนั้นหลังจากตายแล้วตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์จุติจากเทวโลกนั้นแล้วจึงมาสู่ความเป็นมนุษย์ในตอนนี้ได้ลักษณะมหาบุรุษนี้คือมีเส้นประสาทรับรสพระกรยาหารได้ดีมีเส้นประสาท รับรถพระกระยาหารเกิดที่ลำพระสอและมีปลายชูชันรับรถพระกระยาหารส่งไปทั่วสันพางมหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจะมีพระโรคาพาทน้อยมีพระโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่าเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนัก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะมีพระโรคาพาทน้อยมีพระโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรลักษณะมีดวงพระเนตรดำสนิทและแจ่มใสดุจตาลุกโคพึ่งคลอดภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ ไม่ถลึงตาดูในที่นี้หมายถึงไม่จ้องดูด้วยความโกรธจนตาถลนเหมือนตาปูไม่ค้อนไม่เมินมองตรงมองเต็มตาและและดูคนหมู่มากด้วยดวงตาเปี่ยมด้วยความรักเพราะตะถาคตได้ทำสั่งสมพอ่อภูนกรรมนั้นตายจากความเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดในสุกติโลกสวรรค์จุติจากเทวโลกแล้วมาสู่ความเป็นมนุษย์ในตอนนี้ ด้ักษณะมหาบุรุษสองประการนี้คือ 1. งมีดวงพระเนตรดำสนิทสองมีดวงพระเนตรแจ่มใสดุจตาลุกโคเพิ่งคลอดมหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะสองประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิและเป็นผู้ที่แลดูน่ารักของคนหมู่มากและเป็นที่รักเป็นที่พอใจของพราหมณ์และกหาหบดีชาวนิคมชาวชนบท โอราชาและมหาอามาตย์แม่ทัพนายกองราชองครักษ์อามาตย์บริษัทราชาเศรษฐีอุมานเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ที่หลดูน่ารักของคนหมู่มากและเป็นที่รักเป็นที่พอใจของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันทั้งหลาย ลักษณะพระเสียรดุจประดับด้วยกรอบพระพักภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้นำของคนหมู่มากในกุศลธรรมเป็นประมุขของคนหมู่มากในกายสุจริตในวจีสุจริตในมโนสุจริตในการจำแนกทานในการสมทานศีลในการรักษาอุโบสถในความเกื้อกูลมารดาบิดา ในความเกื้อกูลในสมณะในพราหมณ์ในความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลและในกุศลธรรมอันยิ่งอื่นๆอีกเพราะตะถาคตได้ทำสั่งสมพ่อคุณกรรมนั้นตายจากความเป็นมนุษย์แล้วได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์จุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นมนุษย์ในตอนนี้จึงได้ลักษณะมหาบุรุษนี้คือมีพระเศียรดุจระดับด้วยกรอบพระพัก มหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ในลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจะเป็นผู้ที่คนหมู่มากคือพระราม์ะหบดีชาวนิคมชาวชนบทโหราจารย์และมหาอามาตราชองรครักษ์บริษัทร า, ราชาเศรษฐีราชกุมารดำเนินตามเมื่อเป็นพระพุทธ ENT เจ้าจะเป็นผู้ที่คนหมู่มากคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา เทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันดำเนินตามลักษณะพระโลมชาติเดียวและพระอุณาโลมระหว่างพระขนงสีขาวอ่อนเหมือนนุ่นภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ละเว้นขาดจากการพูดเท็จคือพูดแต่คำสัตว์ดำรงความสัตว์มีถ้อยคำเป็นหลัก เชื่อถือได้ไม่หลอกลวงชาวโลกเพราะปถาคตได้ทำสั่งสมพ่อคูลกรรมนั้นหลังตายจากความเป็นมนุษย์ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์จุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ได้ลักษณะมาหาบุรุษสองประการนี้คือ 1. มีพระลมมาชาติเดียว 2. มีพระอุณาโลมระหว่างพระขนงสีขาวอ่อนเหมือนนุ่น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 เทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันประพฤตตามลักษณะพระทน44สซี่และไม่ห่างกันภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ละเว้นขาดจากคำสอเสียดคือฟังความจากฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังจากฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้ เพื่อทำลายฝ่ายโน้นสมานคนที่แตกกันส่งเสริมคนที่ปรองดองกันเช่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกันพูดแต่คำที่สร้างสรรค์ความสามัคคีกันเพราะต ถ, ถาคตได้ทำสั่งสมพอกผูนกรรมนั้นหลังตายจากความเป็นมนุษย์ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์จากนั้นจุดติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นมนุษย์ในตอนนี้ และลักษณะมหาบุรุษสองประการนี้คือหนึ่งมีพระทนสี่สิบซีสองมีพระทนไม่ห่างมหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะสองประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจะทรงมีบริษัทที่ไม่แตกแยกกันบริษัทที่ไม่แตกแยกกันของพระองค์คือพราหมณ์กษับดียชาวนิคมชาวชนบทโหราจารย์และมหาอมาัมมัต แมทับนายกองราชองครักษ์อัมมาตบริษัท ร, ราชาเศรษฐีราชกุมารเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงมีบริษัทที่ไม่แตกแยกกันบริษัทที่ไม่แตกแยกกันของพระองค์คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเอวดามนุษย์อสูรนาคคนทัน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 ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์จุดติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้ลักษณะมหาบุรุษสองประการนี้คือ 1. มีพระชิวหาคือลิ้นใหญ่ยาว 2. มีพระสุรเสียงดุดเสียงพรมตรัส ด, ดุดเสียงร้องของนกกาโะเวกมหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะสองประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรด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 มหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจะไม่มีค่าศึกศัตรูที่เป็นมนุษย์คนใดกำจัดพระองค์ได้เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะไม่มีข่าศึกศัตรูภายในหรือภายนอกคือราคะโทสะหรือโมหะหรือสมณพราหมณ์เทพมารลมหรือใครๆในโลกกำจัดพระองค์ได้ ลักษณะพระทนคือฟันรเรียบเสมอกันและพระเขี้ยวแก้วขาวงามภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ละมิจฉาอาชีวะแล้วดำรงอยู่ด้วยสัมมาอาชีวะคือเว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างการโกงด้วยของปลอมการโกงด้วยเครื่องตรงวัดการรับสินบนการล่อลวงการตลบตะแลง การตัดอวัยวะการฆ่าการจองจำการตีจิงวิ่งราวการปล้นและการขู่กันโชคเพราะตถาคตได้ทำสั่งสมพออคูณทำให้กรรมนั้นไพยบุ์แล้วหลังจากตายแล้วตวถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ครอบงามเทพเหล่าอื่นในเทวโลกนั้นด้วยฐานะสิบคืออายุทิพย์วั น, นทิพย์สุขทิพย์ยศทิพย์ความเป็นใหญ่ทิพย์ รูปเสียงกลิ่นรสโภจภ พ, พอันเป็นทิพย์จติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้จึงได้ลักษณะมหาบุรุษสองประการนี้คือหนึ่งมีพระทนเรียบเสมอกันสองมีพระเคี้ยวแก้วขาวงามมหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ในลักษณะสองประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิผู้ทรงธรรมของราษฎรธรรม ทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมาหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตทรงได้รับชัยชนะมีราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการคือจากแก้วช้างแก้วมาแก้วมณีแก้วนางแก้วขหบดีแก้วปรินายกแก้วและมีพระราชโปรสมากกว่า 1,000 พองค์ซึ่งล้วนแต่กล้าหารมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีราชศัตรูได้ พระองค์ทรงชนะโดยธรรมไม่ต้องใช้อาชญยาไม่ต้องใช้สัตราครอบครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็นขอบเขตไม่มีเสาเขื่อนไม่มีเขตหมายไม่มีรัว้วหนามมังคังอุดมสมบูรณ์ปลอดภัยสงบไร้เสี่ยนหนามเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะทรงมีบริวารสะอาดบริวารที่สะอาดของพระองค์ คือพราหมณหาบดีชาวนิคมชาวชนบทโหราจารย์และมหาอามาตย์แม่ทัพในกองราชองครักษ์อามาตย์บริษัท ร, ราชาเศรษฐีภูมารถ้าออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันต์ตสมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลกจะทรงมีบริวารสะอาดบริวารที่สะอาดของพระองค์คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา เทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันจบลักษณะสูตรว่าด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการ